ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานทานบารมีนะฮะในแง่มุมต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในชุดต่อไปนั้นเป็นเรียกว่าพูดถึงเจตนาวัตถุแล้วก็ความตั้งใจ ก็ในเจตนานั้นได้แก่เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลโดยเมตตาบ้างกรุณาบ้างนะเคารพ บ, บ้างศรัทธาบ้างพักดีบ้างสงสารบ้างก็แล้วแต่คือสรุปว่าเจตนามันเป็นกุศลแล้วก็สิ่งที่นํามาให้นั้นเป็นของที่ควรให้คือเราจะคุ้นๆกับคําว่าปัจจัยไถยธรรมหมายความเป็นสิ่งที่ควรแก่การให้คือให้แล้วไม่เป็นโทษแก่ผู้รับ แต่ว่าเป็นคุณแก่ผู้รับเราเองก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีปัญหามีท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานกรมหลวงชินวรนสิริวัฒนะ์วัดนาชบพิเนี่ยคือท่านไม่เก็บสะสมอะไรไม่มีสมบัติอะไรมีอะไรก็ทางสงเคราะห์คนอื่นก็ให้คนอื่นไป มีเจ้านายผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอาเครื่องจีรไนมาถวายแบบฝากนะถวายแล้วก็ฝากไว้คือกลัวท่านจะเอาไปให้คนอื่นเท่าก็อึดอัดแต่สิทีนี้ให้ใครก็ไม่ได้จะเอาไปไหนก็ไม่ได้มันกลายเป็นของฝากแล้วก็คอยดูแล้วก็ระวงังมันไม่ค่อยอิสระต่อมาแมวมันไล่จับจิจุกกรโดด ตะครุบสิ่งนั้นเนี่ยตกลงมาทั้งสองงานเลยแตกหมดท่านบอกเออมันโล่งเลยนะทีแทนที่จะโกรธแม่นะกลับสบายใจมันโล่งใจไปทีเ้ยเพราะว่าท่านไม่ทำให้แตกเองนะแมวมันไปทำอันนี้คือคือสิ่งนั้นมันมันแทนที่จะมีคุณเดี๋ยวก็มีโทษแก่ผู้รับ คือทำให้พิจุกกังวลอะไรแต่ไหรูปของให้ของมีราคาพังมากแกป ร, ระสบอย่างแย่ๆ แ, แ, แล้วพระก็แย่เลยก็จะทํำยังไงก็มีเกรดขำๆนะเขาเล่าออเดระสันนัเจ้าวัวอร์เนี่ยกรมาหลวงมัจลิยานทองสมัยนั้นรัฐบาลจะถวายรถบูอีกมันดังมากนะสมัยนั้นเนี่ยจะวายเป็นการสนพระองค์พระองค์โอ้ยไม่เอาหรอกไม่ขาไม่มีน้ํามันจะให้มันกิน เขาถวายชิงเทียนแทนเบอร์เออไอนี้เขายังชั่วหน่อยมันมีเทียนเนึ่ยมันกินถึงไม่เอาอ่ะมันมันเป็นภาระเยอะเลยเป็นความทุกข์เดือดร้อนเยอะเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยก็ก็ได้ประโยชน์มันก็ว่ากันไปก็สรุปว่ามันควรให้คือให้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วจิตใจเราเขาเรียกว่าเป็นอโลภท า, านคือ จิตประกอบไปเจตนาที่จะให้มันเป็นปัญญาที่สอดส่องมองเห็นคุณค่าของการให้เป็นระบบผลในขณะนั้นนั้นผลในขณะต่อไปผลในขณะต่อต่อไปตลอดทั้งภพชาติต่อๆไปแล้วก็เป็นรูปบารมีธรรมคือพวกทา น, นบารมีมันแปลกมันกลับมาเป็นทานคือแม้แต่ในหมู่พระเราเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยคเราอยู่ในวัดเดียวกันอย่างกันดวคือบางองค์มันก็มวยด้วยตะเรกกระลาบจริงๆวัเดียวคนนั้นเท่านี้มาถวายคนนี้นะมาถวายคนนี้อนุมาถวายอะไรตัว อ, อะไรเนี่ยบางคนก็ขาดแคลนเดือดร้อนนะะสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์เองเนี่ยนก็ยังเป็นอย่างงั้นมีลูกศิษย์ภาษาริบุตรรูปหนึ่งตั้งแต่เกิดจนนิพพานนะ่ะไม่เคยกินข้าวอิ่ม มันแปลว่าเวลาท่านเดินินตาบาดแต่ไม่เคยถัก บ, บาทจะาไว้ท่านแล้วก็ได้อะไรก็ได้ทีนิดหน่อยภาษารีบุตรท่านต้องพาไปกับท่านพากับท่านก็เดินตามหลังท่านนะฮะก็ได้รับพอสมควรนะแต่ว่ากินก็ไม่อิ่มอะ่ะเขาบอกถึงขนาดว่าของที่มีอยู่มันเกิดหายไปเรื่อยๆบากกรรมเยอะเลย บรรลุเมผลเป็นรานแล้วก็ตรงนี้ย่างยังไม่หมดต่อม า, อาวันที่ท่านจนิพพานเนี่ยพระสารีบุตรต้องไปบินาบาตด้วยตัวเองแล้วก็ามานันถือนั่งถือลึกสิบฉันแกนก็ไม่กล้าชั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าฉันเถอะถ้าปล่อคุณถือมันก็หายไปหมดอีกอะฉันได้อินด้วยคำเอาตะมือหนึ่งก่อนจนิพพานเนี่ยแล้วท่านก็ฉันก็ได้อีกมือเนี่ย คนก็ไปกรบตุนถามพระพุทธเจา้าเจ้า ก, ก็สแสดงว่าพระรูปนี้ยังอื่นดีสนใจศึกษาทั้งฟังทำปฏิบัติทำแต่ไม่เคยให้อะไรแกใครๆเลยเป็นเรื่องแปลกว่าสงเคราะห์นุเคราะห์นี่ไม่ให้อะไรแกใครได้ตอนนั้นก็เดือดร้อนในสมันี้เพราะพวกนี้พวกบุญพวกกุศลเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะแยกกันให้ผล ดูแลคล้ายๆกับอาหารจะรับประทานนะคือสิ่งจะรับประทานมันก็มีสารผสมมีไขมันเท่าไร่โปรตีนเท่าไรคาร์โบไฮเดรตเท่าไรแป้งเท่าไรอะไรแต่ก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ตัวเองแล้วก็พัวสืบต่อชีวิตร่างกายของคนให้ดํารงชีพปกบุญผสมเขาก็ทําหน้าที่เข้าใจงั้น เพราะงั้นบางทีเนี่ยอย่างพระอุบาลีไม่ใช่พระศิบะีบาลีนะฮะพระศีบาลีเป็นเรื่องแปลกเอาขนาดว่าพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยบารมีท่านคราวหนึ่งพระสงค์กับพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมพระเรวตะน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรตอนนี้ไปบวชกันแต่เป็นเนรบทเนร เ, เด็กๆนะอยู่ในป่าไม่แต่เขียนไกรลิบเลยสิบสี่ปีไ่ยอมออกมาพบคนเย่ย พุจจาก็จะเสด็จไปเยี่ยมราณุนก็กราบทูลถึงเส้นทางให้ฝากทางสายหนึ่งนีตรงแต่ไม่ค่อยมีบ้านคนทางสายหนึ่งนี่อ้อมพร้อมแต่ว่ามีบ้านคนแล้วก็เดินทางนานใช้เวลานานพุจ้ารับสั่งถามว่าสีวลีไปด้วยหรือเปล่าราณุนก็บอกว่าไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไปทางตรงนั่นแหละอาศัยบา ร, รมีสีวลีรับ พระกวดพระภาษวลีไปนี่คนมันแห่กันมาจากไหนมันมาตักดัดตักบาทประสงค์อยู่พระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยก็เรียกกันว่าสมบูรณ์นุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยพราะ้เวลาพระในเดือดรอนผู้บาลีต้ก็ช่วยไปบินดาบาตก็ทําได้ตามปเป็นแล้วแล้วก็ได้ได้ฉันด้วยกัน เ, นเป็นเรื่องีแปลกคือเนี่ยพวกทานบารมีมันออกมาแปลกเรียกว่าธรรมากินค่องนะ่ะคนทั้งหลายทํามากินคร่อง แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคนขาดพื้นฐานความเชื่อในกฎของกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยวิวัตะเนี่คือมันมันไม่เชื่อกฎของกรรมแล้วก็ในที่สุดมันก็มีปัญหาแต่คนต้องเชื่อกฎของกรรมด้วยถึงจะทำฐานแบบทุ่มจิตใจลงไปจริงๆได้แล้วก็จิตใจนั้นจะต้องหมดเว้นนะ้ะมดเว้นแนวะสีทน ก็ตั้งเจตนาวิรักนุดเว้นตามองค์ของศีลก็คือแนวของเนี่ยแนวของสัมมาวจารสัมมากันตะสัมมาชิวะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งจริงแนวหนึ่งเนี่ยก็จะแน่ว่าเป็นห้าอย่างคือหมายความว่าตัวเป็นปัจจัยตัวเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการให้เนี่ยตลอดถึงรูปแบบในการให้มันมีผลส่งเสริมไม่เกิดผลดีหรือไม่ดีนะฮะก็แล้วแต่ ก็เรียกว่าศรัท ธ, ธาทานคือทานที่ให้โดยศรัท ธ, ธาลักษณะของศรัท ธ, ธาดันมีความผ่องใสเป็นลักษณะแล้วก็คนที่แสดงถึงความมีศรัท ธ, ธามันสะท้อนได้เห็นสามลักษณะใหญ่ก็1งก็คือว่าใครจะพบกับท่านผู้มีศีลสองมีความใส่ใจสนใจที่จะฟังพระสัท ธ, ธรรม แล้วสามพยายามขจัดมุลทินคือความสนีออกไปจากจิตใจก็แสดงว่าท่านผู้นี้มีศรัทธาในใจแล้วก็สักกาะทานคือทานที่ให้โดยความเคารพคือบางทีที่เราพูดเรื่องสวมรองเท้าไม่สวมรองเท้าเนี่ยที่จริงก็ไม่เอาว่าอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเราถอดรองเท้าในขณะที่พระไม่สวมรองเท้าแล้วเราก็ตัดบาทเนี่ยชื่ว่าให้ทานโดยความเคารพ คือไม่ได้ยืนสูงกว่าพระเราสังเกตนะแนตวตรเนี้ยที่จริงพระเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรแต่มันเป็นแบบรูปแบบอราคือปฏิบัติชาวบ้านเนี่ยจะไม่ยอมนั่งสูงกว่าพระก็นั่งต่ำกว่าพระแม้แต่รายการธุรทัศน์เนี่ยที่จะมาทำรายการรู้ทานาชีวิตประสุมากมันก็มีโยมอยู่ด้วยนะ มันที่ญาติโยมกตัญญูมาว่านั่งเส ม, มอพระก็ต้องบอกเขาไปว่ามานั่งเก้าอี้นะเก้าอี้อย่างเงียบไม่รู้จะไหวยังไงนะมันก็เกี่ยวกับกล้องโดยมุมกล้องด้วยเราก็ต้องนั่งเก้าอีอ้เส ม, มอกันที่จริงก็แยกคนละตัว ก, ก็ไม่ได้ว่าอะไร่นะไม่ได้แปลกอะไรแต่ชาวบ้านเนี่ยเขมองเห็นบางเรื่องเนี่ยก็มองกันว่าขาดความเคารพแต่ว่าถ้าแยกที่นั่งกันอย่างนี้ก็ไม่เคยแปลกคือสมัยโบราณมันก็มีลักษณะอย่างนั้น หมายความนั่งอาสนะของตนของตนอาสนะอาจจะสูงอาจจะใหญ่ก็ดูมันต่างกันนิดนด้อยหน่อยแล้วก็การทานคือให้ทานเหมาะสมแก่การเจรนญระดูเก็บเกี่ยวเสร็จระดูที่พืชสูนพืชไร่มันสุกให้ผลได้แต่ใดต่างๆเทศกาลต่างๆหมายความให้ทานตอมเทศกาลต่างๆแต่ว่าแนวเทศกาลเนี่ย บา ง, งครังมันคบงยุ่นไปนะ <c oughs> อย่างทุกวันก็มีการเชิญชวนชักชวนให้ทำบุญดัก บ, บาตเข้าวสาราหารแห้งอันนี้ได้ยุ่งมากเลยนะบอกกล่าวก็ไม่เชื่อแล้วบางทีพระก็ไปกับเขาด้วยคือถ้าให้ทานในลักษณะนั้นเนี่ยพระฉันไม่ได้นะแต่ถ้าเอาไปวัดแล้วก็ไปมอบไปกับเด็กก็าเรียกว่าเยาวชรจัดการไ ด, ได้แต่พระรับก่อนแล้วก็ไม่ได้ การปรับบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นของสะสมก็เร mm ียกว่าสันนิธิคือเป็นเรื่องสะสมคือคือของพวกอาหารทั้งหลายนี่พระรับแล้วก็จัดได้แค่ชาวชูเที่ยงแต่ว่าถ้าเป็นยาเป็นอะไรก็ได้นะะคือมันมี้ออเขาเรียกกาลิกคือพูดถึงการ ของสิ่งหล่นั้นว่าไอ้นั้นมีอายุการฉันฉันได้ภายในหนึ่งครึ่งวันแรกห น, นึก็ฉันได้ทั้งวันห น, นึ่งก็ชันได้เจ็ดวันหนึ่งก็ตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าข้าวสารอาหารแท่งเนี่ยมันประเภทยาวาการลิก น, นะฮะคือฉันได้ยา ว, ว่าเช้าช่วงเที่ยงจะได้เด่ น, น, นแล้วก็ไม่ควรจะตักมากเกินไปเพราะว่าบางทีมันก็เกินเหตุเกินผลไป อย่างคราวหนึ่งที่เรามีข่าวคราวว่าพระบินท บ, บาทใส่รถสิบลอนะ้อเนี่ยไปแจกในที่ต่างๆก็ก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความจะเป็นอะไรจนถึงขนาดนั้นแต่ถ้าของตักบาทแล้วก็ใส่รถสิบล้อนี่มันก็ยุบยับหมดแล้ว น, นะฮะเือถ้าจับบริจาคทีหลังวัตถุมันไม่ประณีตไปแล้วแล้วข้อต่อไปก็เรียกว่า อนุกัติทานคือการให้ที่มุ่งเกื้อกูลสละจริงๆนะไม่ใช่แบบอ่อยเหยื่อนไม่ใช่แบบอ่อยเหยื่อเส้นแนวการแสดงอะไรมุติตากับผู้ใหญ่บางทีของม่ถวายสักการะท่านของไม่ให้ท่านแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ของแจกได้ของแจกของแถมเนี่ย คือเราให้แล้วก็จบแล้วหน้าที่ของเราก็จบแล้วท่านจะให้ศีลไม่พ้อมท่านจะให้อะไรนก็เรื่องของท่านแต่ไม่ให้ก็เรื่องของท่านเนี่ยแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราเสร็จไปแล้วทรง น, นี้เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือญาติโยมบางทีท่านก็ติดอถ้าท่านไม่ให้อย่าถาไม่ศีลไม่พอมแล้วก็จะไม่พอใจ มันาะการในฐานเสร็จก็กลายไปเลือกโกรธไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่กระทบใครเนี่ยไม่สร้างความเดือดรอ้อนแกตนเองไม่สร้างความเดือดรอ้อนแกบุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นการในทานรูปแข่งขันกันคืออวดอวดดีกันบางทีเช่นว่าภายในวัดเขาจัดเวรเพื่อเลี้ยงพระกันในกรณีที่พระมากๆเนี่ยแล้วก็พยายามทำอาหารแข่งกัน เราเองก็เดือดร้อนนะใหคนอื่นเองก็เดือดร้อนเพราะว่าทัองคอยฉลองสถาโยมอยู่เรื่อยเราบรรทุกก็โรคบางวันทุ ก, ก็โรคบา้กกคบางแล้วก็บุบบุบทีนี้แนวหนึ่นเ ง, เงเนี่ยทรงแสดงไว้ในฐานสูตรในคุตตรนิกายเนี่ยว่าไว้ถึงแปดประเภทบางคนนี่หว้แบบให้ทานแบบตกเบ็ดฮะแบบออยเยือ ก็ต้องการปลาทั้งตัวนะฮะแต่ให้เหยื่อตัวเองให้นิดเดียวเองอันนี้เขาเรียกว่าให้ทานด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์บางคนก็ให้เพราะกลัวเพราะกลัวคนอื่นเขาจะไม่รับข้าวเป็นพวกกลัวคนอืน่นจะไม่ยกย่องกลัวคนอื่นก็จะตั้งข้อรังเกียจนะกลัวข้าวจะเข้าไม่ได้อะไรบ้างบางคนให้เพราะนึกว่าเราให้ได้เราเร า, เราได้ให้แก่ แกเราแล้วเขาได้ให้แก่เราคือสํานึกคุณนะสำนึกคุณอะผู้นี้ได้เคยให้เราเคยสงเคราะห์เราเคยเอื้อเพื่อต่อเราแล้วเราก็ให้เขาเป็นลักษณะของกัตันดูกัตเวทีคือเกิด ค, ความสํานึกคุณบางทีก็อาจจะเดียวนึกไปถึงพ่อถึงแม่เขาเคยสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือคือคุณต่อเราอ่ะเราก็มาสงเคราะห์ช่วยเหลือคือคุณแก ค, คนเหล่านี้บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีอันนี้มีจิตใจประนีตแล้วนะ ใจปัณ น, นี้คือไม่สนใจนะครับใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องการให้ทานเป็นการดีก็ให้แล้วที่จริงจะตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเนี่ยมันเหมือนกับเราปลูกพืชทที่ว่าเนี่ยตั้งไม่ตั้งมันก็ปลูกแล้วนะฮะมันก็งอกเองมันเนี่ยมันก็แตกเป็นพืชชนิดนั้นเองแต่ว่าไปถ้าตั้งความปรารถนาม่งมั่นเนี่ยมันจะดูแลใจใสทะนุบำรุง ให้ปุ๋ยรดน้ำอะไรโผลดินมันก็โตเติบโ ต, ต, ตได้เร็วขึ้นบางคนก็ให้เพราะนึกว่านักบวชเหล่านี้ไม่ทำนาทำสวนไม่หุ ง, งาอาหารเราทำนาทำสวนเราหุ ง, งาอาหารเรามีทรัพย์สิสนเงินทองท่านไม่มีเราก็สบายท่านก็ช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าอนุเคราะห์ในการปฏิบัติความดีของท่านเราเนี่ยอย่างเช่นชาวบ้านรู้ว่า พระมาประชุมกันมากๆตัวเองลูกข่าวก็เออไปสนับสนุนท่านให้ท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องของปั จ, จเจ sĩ แนวหล่าเนี้ยที่จริงสังคมสังคมเราเนี่ยนิยมกระทากันมากมาเคยตั้งข้อสังเกตนะะว่าจังหวัดที่อยู่ริมทะเลเนี่ยแต่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทํำมาทําแหมงมากว่าจริงวาจังมาก แโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือพวกที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงจะมีความตั้งใจสูงในการริจากทานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยบางคนต้องการจะอะไรล่ะต้องการมีชื่อเสียงนะฮะมีเกียรติยศมีการเด่งดันอย่างสังคมไทยเราเราลองสังเกต น, นะฮะ คือบางทีมันก็ต้องการที่ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองนะอย่างว่ากิจกรรมที่ที่ตีข้อทุ่นติงกันนะทุ่นติงกันเรื่องว่าพระไปออกอากาศแล้วก็ไปเรียกรงเรียกรา ไ, ไปประกาศงมโนธนาออกทางวิทยุเนี่ยไอเ น, นี้ยคือมันตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มหนึ่ง น, นะคนกลุ่มหนึ่ง น, นี่ต้องออกอากาศให้เขานะฮะ ถ้าไม่ออกอากาศให้เขาแล้วเขาก็ไม่ยอมเล่นด้วยหรอมันเป็นสังคมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคนบางคนเนี่ยอาจจะมีคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ต้องอิงอาศัยกันเขาบริจาคต้องได้เบียนมทนาแล้วก็ลดภาษีได้แล้วก็เอาไปโฆษณาประกาศได้เป็นที่รู้จักครับรู้ว่าคนทั้งหลาย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็บริจาคผ่านคนดังๆแล้วยิงไปใหญ่เลยออกภาพถ่ายมาหรือบางทีก็ไปถ่ายรูปร่วมเราลองสังเกตนะครบางทีเนี่ยผู้ให้กับผู้รับไม่ได้มองหน้ากันหรอกมองกล้องหมดเลยทั้งคู่เลยมันก็แสดงให้เห็นว่าใจจริงๆเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าของการน่าทานทลายหลอกแต่ว่า เห็นว่ามันเป็นปันใดเป็นปัจใจอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตนเองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเพราะงั้นก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ลูกน้องก็ต้องช่วยตบมือให้บางคนก็มองในแง่ที่เป็นเครื่องปรับปรุงจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเองเพราะว่าการให้ทาเนีย่ยที่บอกนะว่ามันไปลดลกโกดห ล, ล, ลง ลดความโลภในวัตถุสิ่งของของเราลดความเจตนีในวัตถุสิ่งของของเราแล้วก็ลดความโกรธในตัวคนลงไปแล้วก็ลดโลหะคือความไม่รู้เหตุผลไม่รู้บาปบุญคุณโทษภายในใจเราเนี่ยลดลงไปแล้วก็กลายเป็นการให้ทานซึ่งถือว่าทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการของาทานทั้งหมดมันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ คนธรรมะขวายกุศลธรรมบางครั้งเนี่ยเันจะใช้คำง่ายๆว่าเป็นสันเลขาธรรมคือธรรมะที่ขาดเกล้าใจหมายความว่าถ้าความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคเส้นสมมติคนที่เราเกลียดเนี่ยเราให้ไม่ได้หรอกหรือว่าของอันนี้เราเสียด้เราให้ไม่ได้ไดไไดที่นี้การที่เราให้ได้เนี่ยแสดงว่าผู้รับเราไม่เกลียดและของเราไม่จะได้ เราก็มองเห็นคุณค่าจากการนั้นโดยไม่หยิบเอาอการจากคนนั้นหรอกซึ่อาจจะมองในแง่ของบารมีอาจจะมองในแง่การประดับจิตอาจจะมองในแง่ของเป็นความดีก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงเพราะว่าตรงนั้นเนปะ็ที่จริงก็คือการขจัดโมหะออกไปจากใจใจของบุคคลก็มีความสงบเป็นความประณีตมากยิ่งคิดผลทานมันก็กระจายตัวเปนเอง พอปัญญาก็เกิดขึ้นแต่มันออกไปรูปของธรรมทานออกในรูปของอภยธานเห็นไหมปัญญามันท่่งสูงขึ้นสูงขึ้นก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแล้วก็ล่กิเลสได้ทุกกลุ่มนะฮะทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าในกรณีที่คนนี้เขามีความเจริญก้าวหน้าแลวเราก็มีมุติตาจิตกับเขาเนี่นะ เห็นว่ามันเป็นขจัดการขจัดฤิ์เสี้ยวไปจากใจเหมือนกันแต่พวกนี้เขาไม่เรียกว่าทานเขาเรียกว่าการเจริญกุศลคือเจริญพรหมิหารแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือลดรากของโรคโกวดมหลงนั่นแหละก็ไปไปที่ไหนคืออยู่ที่ลดโรคโกดมหลงซึ่งก็หมายความว่าเพิ่มความไม่โลคไม่โกดไม่หลงขึ้นเมื่อความไม่โลคไม่โกดไม่หลงก็เพิ่มขึ้นเนี่ยความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดลง ธรรมะก็เพิ่มขึ้นกิเลสก็ลดลงเด่นทั้งหมดจึงเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกบุญญากริยาคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญของคนทั้งหลายแล้วก็พื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้วภาในสังคมหมายความการให้เนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วก็ต้องอีกัาใส่กันในการดียวแล้วมีการให้มีการรับมีการได้มีการเสียมีการสตรงรอบมีการลูกรอบมี การให้การให้ตอบไปต้วเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีอยู่แล้วภายในสังคมแล้วก็อยู่ทุกส่วนของโลกเลยต้งฟังทลายใต้โลมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยึติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุตรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี